ถามเวลาคนอื่นขอยืมเงินเราเราให้เขายืมแต่พอเรามีปัญหาแม้เงินเราเองเราขอทวงคืนเขาก็บอกจะผ่อนให้แต่ผ่อนได้เดือนเดียวก็ยังไม่ให้อีกเลยมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเขาจะมีวิธีทําใจอย่างไรที่จะไม่คิดร้ายกับเขาและยังอยากได้เงินคืนถ้าไม่ได้คืนจะทําอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์ ด้วย ค, ความสบายใจเวลาผมให้เงินใครผมไม่คิดว่าให้ยืมแต่คิดว่าให้เลยถ้าไม่ให้ก็แปลว่าไม่มีจะให้หรือรู้สึกว่าเกินกว่าจะให้คนเราถ้าเดือดร้อนหน้าแห้งขณะมีประวัติต้องตระเวนขอหยิบขอยืมจากใครๆล้วนล้อแต่ออกแนวนี้แหละครับพอยืมได้แล้วก็แม้จะมีใช้คืนแล้วแต่ก็นึกเสียดายกักไว้ในกระเป๋าตัวเองอยู่ดี ด้วยความคิดว่าคนอื่นคงมีพอกินพอใช้แบ่งๆ่งให้ตนแค่นี้คงไม่เป็นไรที่คิดอย่างนั้นได้เพราะอะไรเพราะความตรนีและความโลภลวงใจให้เขาสำคัญผิดรู้สึกว่าเงินในกระเป๋าเขาก็ต้องเป็นเงินของเขาคุณให้เขาแล้วก็ต้องเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วจำเป็นอะไรที่เขาต้องสละเงินตัวเองให้กับคุณแม้คุณจะอ้างว่าเป็นเจ้าของเก่าก็ตาม กรณีของคุณถือว่าโชคดีแล้วที่เขาใช้คืนมาก้อนหนึ่งส่วนใหญ่ไปแล้วไปรับไม่กลับคืนมาทั้งก้อนบาปกรรมประเภทยืมแล้วไม่คืนเนี่ยทุกคนเคยเคยทำกันมาทั้งนั้นเพราะธรรมชาติของกิเลสมันเป็นอย่างนี้เสมอไม่ว่าอาดีตปัจจุบันหรืออนาคตคุณไม่ทำตอนแก่ก็อาจจะเคยทำตอนหนุ่มสาวหรือถ้าไม่ทาตอนหนุ่มสาวก็อาจทาตอนเด็ก หรือถ้าไม่ทำตอนเด็กก็อาจทำตอนเป็นคนแก่ในชาติที่แล้วเป็นต้นฉะนั้นอย่าแปลกใจถ้าชั่วชีวิตแต่ละคนต้องโดนกันสักครั้งว่าไปแล้วโทษอันเกิดจากการชัก ด, ดาบยืมเงินแล้วไม่คืนนั้นอาจหนักหนาเสียยิ่งกว่าการขโมยซึ่งซึ่งหน้าเพราะโจรที่ปล้นเงินตรงไปตรงมามีจิตคิดเอาของคนอื่นไปเป็นของตนโดยไม่ตั้งใจคืน ส่วนคนยืมเงินเพื่อนนั้นนอกจากคิดเอาไปไม่ใช้คืนแล้วยังต้องด้านทนเวลาเขาทวงคืนเท่ากับต้องพอกพูนความตระหนีให้ทวียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกความตระหนี่เป็นเหตุให้อัตคัดส่วนการช่อโกงเป็นเหตุให้ซับพินาธพวกยืมเงินแล้วไม่คืนทั้งที่มีพอจะคืนนั้นได้ชื่อว่าทั้งตรหนีทั้งช่อโกงในอนาคต นอกจากยากจนยังโดนเคราะ์ซ้ำกรรมซัดมีเหตุให้ทรัพย์พินาศเนืองเนืองส่วนในชาติปัจจุบันบาปอาจพัฒนาตัวเองทำให้หน้ามืดตามัวเห็นผิดเป็นชอบรู้สึกเหมือนตนเองจนตรอกอยู่ตลอดเวลาแรกๆ ก, ก็ตากหน้ายืมญาติด้วยความเขินอายต่อมาก็ยืมเพื่อนยืมแฟนพอทุกคนบอกสารากันหมดไม่เหลือใครให้ยืมอีกแล้ว ก็ยกระดับขึ้นสู่วิชาชีพคดโกงขั้นต่อต่อไปเมื่อคิดได้อย่างนี้ก็หันมาเปรียบเทียบกับตัวเองบอกตัวเองว่ายังดีที่คุณเป็นฝ่ายถูกโกงไม่ใช่คุณไปโกงเขาคุณไม่ได้สร้างเหตุแห่งความอั ต, ตคัดเพราะคุณเป็นฝ่ายสละความตรณีและคุณก็ไม่ได้สร้างเหตุให้รา พ, พินาธเพราะคุณไม่ได้ชอโกงใคร ส่วนที่ซับ พ, พินาดไปด้วยการโดนยืมและชักดาบอันนั้นก็ให้ถือเป็นการลงโทษของกรรมเก่าที่เคยไปทำใครเข้ามาอาภัยได้ก็ถือว่าหมดเวรกันคนเราถ้าเจ็บแค้นแล้วสามารถอภัยนึกปรารถนาดีกับผู้ทำให้เจ็บแค้นได้ก็จะลิ้มรสเมตตาที่อร่อยกว่าปกติแล้วมีกำลังใจที่จะทำดีด้านอื่นๆตามมาอีกมาก หากพยายามทำใจแล้วอภัยไม่ได้ก็ลองทำบุญใหญ่ถวายสังฆทานหรือเลี้ยงอาหารเด็กหรือคนชราตามสถานสงเคราะห์ดูคำแนะนำนี้เหมือนจะให้จ่ายเพิ่มไม่ได้เงินคืนและยังเสียเงินอีกแต่ขอให้ลองเถิดลองคิดว่าเราบวกเงินเพิ่มเข้าไปจากที่เสียรวมกันเพื่อเจตนาสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสเท่านี้คุณจะรู้สึกว่าเงินที่เสียไปทั้งหมดล้วนเพื่อทำทาน อย่างน้อยใจคุณต้องสบายขึ้นเป็นกองและหากฟุกๆ ล, ลูกนี่ยังมีความละอายอยู่บ้างก็อาจถูกข่ายคลื่นแห่งมหาทานของคุณเข้าท่วมทับรุ่งขึ้นกลับใจโทรมาขอคืนเงินเห็นทันตาแต่ถ้าเกินจะอภัยยกเงินให้เฉยๆไม่ไหวจะทำอย่างไรเขาก็ไม่คืนเช่นนั้นคงต้องพึ่งพากระบวนการยุติธรรมแบบโลกโลกกันต่อไป ซึ่งนั่นก็พ้นขอบเขตที่ผมจะให้คําแนะนําบอกได้แต่เพียงว่าจะทําอะไรขอให้มีโทรศะเจออยู่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็แล้วกันครับสิ้นเหตุใครที่ไหนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกต้องพลได้เหตุคนไต่โทษฟ้า t h o v e in the truth a t i r y <Sanly> t n g c a m her. i t g d or a d t s u t t h a you e r j k e i t s e i m e